ชีวิตของของเราเนี่ยนะที่ดำเนินไปเช้าสายบ่ายคำ่ำจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอถ้าว่าตามเป็นจริงแล้วก็คือการสแสวงหาอยู่ในโลกของการสแสวงหาอย่างคนที่มีอัจยาิสัยในรูปมีอัจยาิยสัยใน ส, ในสีในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยนะพวกนี้ก็สแสวงหารูปเสียงเป็นรส ผู้ที่สแสวงหาสัมผัสก็ต้องการสัมผัสเสาะแสวงหาสัมผัสเนี่ยนะอย่างคนที่ให้ความสําคัญกับการเห็นการดูพวกนี้ก็จะสแสวงหาการดูทําทุกอย่างเพื่อให้ได้พบได้เห็นได้ดูบางคนก็มีอัธยาศัยชอบฟังนะก็สแสวงหาขอให้ได้ฟังในสิ่งที่ตัวเองชอบฟังบางคนก็ชอบชอบที่จะรู้กลิ่นบางอย่างเช่นอย่างที่เล่าให้ฟังว่าบางคนก็ชอบกลิ่นไอ้กล้วยไม้ป่ามาก เป็นชีวิตจิตใจของเขาเลยเขาภากเพียรพยายามเพื่อจะรดน้ำเนี่ยนะรดน้าต้นไม้เอาตั้งแต่เอาพวกกิ่งเล็กๆเอาพวกช่อเอาเรียกว่าตัดเนื้อเยื่อเนี่ยไปแปะแล้วให้มันงอกกว่าจะมันจะเป็นดอกกล้วยไม้แล้วก็หอมหอมอยู่ไม่กี่วัน่ะนะแต่ว่าเขาฝักใฝ่ที่จะสร้างกลิ่นอันนั้นมาก อย่างบางคนเนี่ยติดในกลิ่นมากต้องปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่เขาชอบที่สุดที่มีกลิ่นหอมเนี่ยรอบบริเวณบ้านมันเข้าหายใจหนึ่งเฮิร์ตเข้าไปบอกโอ้โมันเป็นความสุขของเขามากบางคนที่ชอบเสียงเนี่ยนะอย่างเช่นชอบเสียงนกเนี่ยเขาบอกว่านกบรรองกู้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกมันเสียงสวรรค์เลยเขาบอกงั้นนะเขาแต่เราไม่เข้าใจว่ามันชอบได้ยังไงนะแต่ว่าเขามีคนที่เขาชอบแบบนั้นอนะ่ะ เรือบางคนที่ชอบสัมผัสเนี่ยนะชอบแบบแค่ว่าชอบเล่นกับสุนัขเป็นต้นนั่นก็ <c oughs> มีความสุขของเขามากที่ได้แบบอะไรสะผมให้สุนัขอะไรนะสระขนตัดขนดูแลสุนัขมีความสุขมาก <c oughs> บางคนที่เป็นนักชิมนักกินทั้งหลายเนี่ยนะได้อะไรแตะลิ้นหน่อยหนึ่งแม้นอย่างก็โอชาที่อย่างนั้นแน่นนะแต่ละคนที่เป็นนักกินเนี่ยนะแม้สัมผัสอะไรนิดๆหน่อยๆก็อู้อร่อยวิจารในสามนาทีสินาทีไม่จบไม่เลิกไม่รา น, นะนะ <c oughs> พูดถึงแล้วพูดถึงเล่าอร่อยเหลือเกินเนี่ย บางคนเนี่ยให้ค่ากับการกระทบสัมผัสการกระทบสัมผัสไม่ว่าสัมผัสโดยใช้มือโดยใช้ร่างกายอวัยวะส่วนต่างๆมันก็สแสวงหาสัมผัสคเรียกว่าพวกเหล่านี้เรียกว่าสแสวงหาการแสวงหาการก็คือสแสวงหารูปที่น่าปราถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจนั่นแหละสแสวงหาเสียงที่น่าปราถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจสแสวงหากลิ่นสแสวงหารสแสวงหา สัมผัสทั้งหลายเนี่ยที่ตัวเองปรารถนาะฝักใฝ่แล้วก็ลุ่มหลงคือรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามถ้าสังเกตสักนิดนึงเ่ยทุกคนสแสวงหาบางคนปริมาณเนี่ ย, ยในกามภูมิเนี่ยนะที่เขาใช้คําว่ากามภูมิกามาวจรพบก็เพราะว่าสแสวงหารูปสแสวงหาเสียงสแสวงหากลิ่นสแสวงหารสแสวงหาสัมผัสทั้งหลายทําทุกอย่างเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสแล้ว สัมผัสทั้งหลายก็เลยเรียกว่าการ ม, มาวจรภูมิท่องเที่ยวไปในรูปเสียงกลิ่นรถโพธะพระที่ตัวเองปรารถนาแต่ไม่มากหรอกที่สมหวังแต่ก็จะมีบ้างแต่ว่าโดยมากค่อนข้างผิดหวังทีนี้ต่อไปอีกคนระดับหนึ่งก็สแสวงหาความสุขและสแสวงหาสัมผัสเช่นสแสวงหาความสุขที่มาจาก กุศลธรรมถ้าเป็นระดับสูงขึ้นไปอีกเนี่ยนะพวกนี้จะแสวงหากุศลธรรมทั้งหลายแสวงหาบุญแสวงหากุศลแสวงหาการให้ทานแสวงหาการรักษาศีลแล้วก็แสวงหาการเจริญภาวนาแล้วก็มีอีกหลายระดับแสวงหาฌานแสวงหาปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุทฌานบางพวกก็ถึงกับแสวงหาอรูปฌานทั้งหลายก็สรุปสรุปก็คือแสวงหาสังคตธรรมทั้งหลายนั่นเอง นะเที่ยวส่อแสวงหาสังขารธรรมสแสวงหาสังคตะธรรมที่เป็นโลกิยธรรมบางพวกก็สแสวงหาสังคตะธรรมที่เป็นโลกุตระเรียกว่าสแสวงหามรรคผลแต่ว่าที่สุดก็คือสแสวงหาพระนิพพานพระพุทธจเจ้าก็มาจำแนกเกี่ยวกับเรื่องการสแสวงหาใหญ่ๆออกเป็นสองอย่างด้วยกันนะการสแสวงหาสองอย่างสแสวงหาอะไร สแสวงหาแบบประเสริฐกับไม่ประเสริฐนะนะวันในข้อ3ามหน้า411เป็นต้นไปกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการสแสวงหามีอยู่สองอย่างด้วยกันการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐอย่างหนึ่งกับการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยอย่างหนึ่งนะถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าประเสริฐและไม่ประเสริฐ ในพระพุทธเจ้าแสดงถึงสิ่งที่ไม่ประเสริฐก่อนนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา <Evet. S 1> ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเห็นไหมตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีชราความแก่เป็นธรรมดาก็แวสวงหาสิ่งที่มีชราคือความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละ ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีความเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นธรรมดาเป็นผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาอีกนั่นแหละแต่พูดเป็นรูปธรรมนะตัวเองก็เป็นเอจแล้วเที่ยวหาคนที่เป็นเอด้วยเนี่ยนะจะเป็นยังไงตัวเองก็เป็นมะเร็งก็หาคนที่เป็นเหมือนกันมาอีกเนี่ยนะก็เหมือนว่าคนตัวเองพิการก็ไปหาคนพิการมาอีกเนี่ยลักษณะนั้นเรียกว่า พยาธินี่แปลว่าความวิการหรือพิการก็ได้ตัวเองมีความพิการเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความพิการเป็นธรรมดาเป็นผู้มีมรณะคือความตายเป็นธรรมดาแสวงหาสิ่งที่มีมรณะแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตัวเองเป็นผู้มีความเศร้าโศกเนี่ยนะโศกความโศกเนี่ยนะคือเป็นคนที่เราว่าเครียดนะนะก็แสวงหาสิ่งที่มีความเครียดเป็นธรรมดานะ คำว่าโศกเนี่ยเป็นตัวแทนของคำว่าโสกะปริเทวะเนี่ยนะความโศกก็คือความเศร้าใจเนี่ยนะความเสียใจความไม่สบายใจความขับแค้นใจความลําบากใจความตรอมใจเนี่ยนะใจที่เกลียมเป็นต้นหรือว่าโศกหรือว่าโศกสะอื้นเป็นต้นก็แสวงหาสิ่งที่มีความโศกสะอื้นหรือก็เรียกว่าตัวเองเนี่ยสะอื้นเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความสะอื้นเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละ อันสุดท้ายบอกว่าตัวเองมีความเศร้าหมองเศร้าหมองสังกิเลสนี้เป็นชื่อของตันหาเป็นชื่อของทุจ j u r เป็นชื่อของตันหาทิฐิและทุจริ r ตัวเองเป็นผู้ที่มีมิชชั่ทิฐิเป็นธรรมดาก็แสวงหามิชชั่ทิฐิเข้าไปอีตัวเองมีตันหาเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีตันหาเป็นธรรมดาตัวเองเป็นผู้ที่มีความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นธรรมดาก็แสวงหา สิ่งที่มีความชั่วหรือสแสวงหาคนชั่วด้วยกายวาจาธรรมดาอนเองนะฮะคือเมาแล้วแสวงหาพวกนักดื่มคอเดียวกันมาเนี่ยนะคล้ายๆแบบนั้นสรุปว่าสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐก็คือสแสวงหาตัวเองเนี่ยปกติของตัวแล้วเกิดแก่ป่วยตายเศร้าโศกเสียใจแล้วก็เศร้าหมองเลยนะเศร้าหมองเร่าร้อนมากเป็นธรรมดาก็สแสวงหาสิ่งที่เรียกว่า สแสวงหาธาตุเดียวกันนะนะแสวงหาธาตุเดียวกันคำว่าธาตุก็คือสิ่งที่ตัวเองพอใจเหมือนกันนะนะคนป่วยสแสวงหาคนป่วยมันก็ป่วยยิ่งขึ้นเลยนะไม่ได้จะหายป่วยขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยเราแก่แล้วสแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ด้วยกันจะได้แก่ไปด้วยกันนะี้ป่ะแต่มันก็จริงนะเพราะพื้นฐานอความคิดของสัตว์ทั้งหลายมันไม่เกินนี้หรอก คนที่คิดออกนอกนี้ได้เนี่ยนะมันมีอยู่ไม่กี่คนจริงๆโลกทั้งโลกเลยอะ่ะจริงๆเราน้อยมากเนี่ยนะทีนี้พระ อ, องค์ก็อธิบายโดยพิสดารเพราะเมื่อกี้หัวข้อหัวข้อไม่อธิบายว่าเธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็บทภริยาธาตุหญิงธาตุชายแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าลาทองเงินนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปธิเพราะเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นสภาวะผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเหล่านั้นเชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเนี่ย ก็ต้องเกิดแล้ ว, วเกิดเล่าเนี่ยนะมายควว่าตัวเองต้องตกนรกเป็นธรรมดาก็แสวงหาผู้ที่ตกนรกด้วยอย่างงี้นะตัวเองเกิดเป็นเปรตเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงหาผู้ที่จะเกิดเป็นเปรตอีกเป็นธรรมดาตัวเองยังต้องเกิดในเดเป็นเด ร, เรัจฉานก็แสวงหาสิ่งที่ต้องเกิดเป็นเด ร, เเรัจฉาตนาตัวเองต้องเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าไกลเกิดในโอปปาติกะก็แสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีกนั่นแหละนี่แหละเรียกว่าเกิดเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความ เกิดเป็นธรรมดาเธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีความชราคือความแก่เป็นธรรมดาก็บุตรภรยาธาตุหญิงธาตุชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินนี้เรียกว่าสิ่งที่มีความชราสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิเป็นเครื่องยุ่งอินลงตุงนังไปหมดนะเพราะว่าแก่เป็นธรรมดาเป็นสภาวะผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาเหล่านั้นนั่นแหละก็รู้อยู่แล้วแก่แต่ก็ตัวเองก็แกนะแต่ก็ติดใจในความแก่ชอบความแก่เรียกว่าแก่เป็นธรรมดาก็สแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานะ ก็มีเมื่อวันวาเลนไทยก่อนเนี่ยนะเขามาเห็นภาพห น, นังสือพิมพ์นะอายุ70กันแล้วจับมือวิบัยักนตอนอายุ70เนี่ยนะทั้งคู่เนี่ยบอกโอ้โหวันแห่งความรักคิดได้ไงมาลู่นะเก่งจริงเลยก็เก่งเนี่หมายาว่าไม่ได้ชื่นชมนะครับพูดอย่างเงี้ยบอกเก่งนี่ไม่ได้แปลว่าชมแต่ว่าก็เป็นอย่างนี้นี่แหละก็ได้ ว, ว่าแก่เป็นธรรมดาก็สแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานี่นะ แล้วก็นึกถึงว่าเคยเคยได้ยินคนอายุมากๆไม่ใช่คนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคนที่อยู่อีกแวดวงหนึ่งเนี่ยอายุมากๆขึ้นแล้วเนี่ยนะอย่างสมมติว่าเขาเป็นม่ายกันทั้งคู่เนี่ยนึกว่าเขาจะคุยอริยศาสตร์คุยทางพ้นทุกข์นะเปลา่าเขาคิดเหมือนเขาอายุเพิ่ง16 17เองอะนะเขาคิดได้เท่านั้นจริงๆอนะปัญญาเขามีอยู่เท่านั้นจริงๆอนะน่าคิดนะออประสบะการณ์ชีวิตที่ผ่านไปนึกว่าจะฉลาดอะไรขึ้นบ้างเปล่าเลยเนี่ยนะกลับไปคิดได้เท่ากับคนอายุ14บสบางที นะก็แสดงว่าชราเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความชราเป็นธรรมดานี่นะแต่มันก็อะไรนะมนคิดได้นะตอนที่ไม่ได้ส่งกระจกว่าความคิดมันไม่ยอมรับใช่ไหมเขาบอกว่าความชรามีอยู่สองอย่างชราแห่งรูปประธรรมและนามปธรรมาชราแห่งรู ป, ประธรรมเนี่ยโดยมกสัตว์ยอมรับ อมแก่จริงๆเช่นเช่นอะไรนั่งร่างกายอวัยวะสรีระจะลุกจะเดินจะเหินเป็นต้นเนี่ยนะยอมรับว่าชราแต่ใจนี่ก็บอกกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอเนี่ยนะคิดเองอ่ะนะที่จริงอ่ะรูปกับนามเนี่ยมันเป็นไปด้วยกันเนี่ยนะมันเป็นตาด้วยกันนะถ้าถ้าใจมันจะแบบขนาดไหนก็ช่างเหอะถ้ารูปไม่เอาด้วยมันก็ไม่เอาด้วยนั่นแหละนะใจจะคิดได้อะไรคล่องแคล่วแต่ถ้ารูปไม่เอาด้วยมันก็มันก็ไปหมดนั่นแหละนัชราเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความ ชาาเป็นธรรมดาต่อไปเธอบอกได้ไหมว่าอะไรเล่าคือสิ่งที่มีพยาธิความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็บุตรภรรยาทาาหญิงค่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงินนี่แหละเรียกว่าสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาดูกราพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่มีพยาธิคือความเจ็บป่วยเป็นธรมมนธ ร, มมนธรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาเล่านั้นเลยเชื่อว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นหวัดอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปเที่ยวหาคนที่เขาเป็นหวัดมาอยู่ด้วยกันอย่างนัปวดหัวอยู่แล้วก็หาคนปดวด<ๆ>หั ว, <ๆ>หวหมาอยู่ด้วยกันปวดฟันอยู่แล้วก็หาคนที่ปวดฟันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็รวมรวมกันก็เรียกว่าเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็คิดแสวงหาสิ่งที่มีความ เจ็บป่วยเป็นธรรมดานะปวดหลังเป็นธรรมดาแล้วไปหาคนปวดหลังมาอยู่ด้วยกันเป็นไงลุงเริงคงจะทรมานมากเลยนะใช่ไหมครวนเรียกว่าร้องเรียกว่าเจ็บปวดร้องโอดโอยครวนครวนก็อีกคนหนึ่งครวนดังกว่าไงนึกว่าลักษณะนั้นนะะก็เรียกว่าเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเนี่นะก็เราก็คิดว่าเอ๊ะตอนแรกก็นึกว่าไม่ป่วยที่ไหนได้ก็ป่วยเหมือนเราเงนะ ก็เพราะอะไรเพราะโลกนี้สัตว์ทั้งหลายที่ไปในโลกก็คือบุคคลที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็คิดถึงจริงก็ใช่ไหมเราก็ป่วยนะก็คิดถึงคนที่มีความป่วยเป็นธรรมดาคิดถึงสิ่งที่เจ็บป่วยเป็นธรรมดาโดยที่สุดแม้กระทั่งอะไรแม้กระทั่งเงินทองนี่ก็เป็นสิ่งที่ป่วยเป็นธรรมดาป่วยยังไงก็มันเศร้าหมองเป็นธรรมดาเพราะมันมันเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะแสวงหาเงินหาทองจน เจ็บป่วยเป็นต้นนี่ต่อไป <c oughs> เธอบอกได้ไหมว่าอะไรเล่าคือสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาบุตรภรยาธาตุหญิงธาตชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินนี่เรียกว่าสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาดูความพิสูงทั้งหลาย สิ่งมีมรณะเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีมรณะเป็นธรรมดาสแสวงหาสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละก็ตัวก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมก็สแสวงหาคนที่จะตายอีกนั่นแหละเรียกว่าตายเป็นธรรมดาก็คิดถึงแต่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาย่าจะพ้นจากความตายได้ไหมเนี่ย เราต้องคิดถึงพลที่พ้นจากความตายเป็นธรรมดาใช่ไหมจริงกับจริงกับเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่โดยปกติเราโดยมากเนี่ยคิดถึงแต่ว่าตัวเป็นคนที่เกิดแก่ป่วยตายคิดถึงแต่สิ่งที่เกิดแก่ป่วยแล้วก็ตายเชื่อใครคิดหลุดจากสิ่งที่พ้นจากความเกิดความแก่ความป่วยความตายได้เนี่ยเก่งไนหะ